ก็ารบูชาพระธนไตรการ บ, บูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมุบรามายังพระอาจารย์ณรง์บิตรพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตเพื่อนสาตยมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ ออวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่ยี่สบกกันยายนพุทธศักราชพพุทธศักราช25ห้าก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันทมวัดสวดมนต์นะแล้วก็ฟังธรรมนะเมื่อสองวันที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกันทาบุญนะเนื่องในโอกาส เขาเรียกว่าวันบุญเดือนสิบใช่ไหมสิบนหะ้าค่ำเดือนสนะิบก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะให้กับบรรพบุรุษนะที่ลงลับไปแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเพณนะีเป็นวัฒนธรรมที่เราได้ทำสืบต่อกันมา <c oughs> นะด้วยความเชื่อนะ ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาตินี้นะเรายังมีชาติหน้าอีกนะถ้าตับใดเรายังเรียกว่ายังมีเหตุมีปัจจัยนะที่จะต้องให้ไปเกิดอีกนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะหรือแม้แต่ตำรับตำรานะคำพีต่างๆนะได้พูดเอาไว้ นะถึงการที่คนเราเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วนะเราจะไปสู่ทิศทางใดนะก็มีอยู่สามสี่ทางนะก็คือถ้าทำไม่ดีนะทำบาปนะก็ไปตกนรกนะก็เรียกว่าทุกขตนะิถ้าทำดนะีก็ไปสวรรคนะ์ที่เรียกว่าสุกตินะซึ่งอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เรามีความเชื่อนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อวิทยาศาสตร์นะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนะได้เข้ามาในโลกปัจจุบันนะก็ทำให้คนยุคใหม่เนี่ยก็ไนมะ่ค่อยมีความเชื่อกันเท่าไหร่นะถึงกับบอกว่าเอ้ยมันมีจริงหรือนะสวรรค์นรกมันมีจริงหรือนะ ไม่ได้เห็นด้วยตานะไม่ได้สัมผัสด้วยใจนะมันจะมีจริงหรือนะนี่ก็เป็นคำถามของคนยุคใหม่นะที่ถามกันเพราะนั้นก็คงมีบางส่วนละ่นะที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะแล้วก็ยิดว่าชีวิตนี้มีชีวิตเดียวนะชีวิตเราแค่ในปัจจุบันตายแล้วก็หมดกันไปเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่า การดำเนินชีวิตของคนที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็จะมีชีวิตที่จะหาความสุขสนุกสนานในโลกนี้นะบุญไม่มีบาปไม่มีนะถึงกับทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะเรียกว่าสแสวงหาความสุขทางวัตถุกันเต็มที่นะมีการโกงกินะกันบะ้างนะมีการลักขโมยกันบ้าง นะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้แต่มีการฆ่ากันก็ยังมีนะเพื่อผลประโยชน์นะหรือความสุขนะในปัจจุบันนี้นะเพราะคิดว่าอันนี้คือความสุขที่แท้จริงนะไอ้โลกหน้าโลกนู้นไม่ต้องพูดถึงกันนะตายไปแล้วก็แล้วกันไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายทีเดียวความเชื่อแบบนี้เพราะนั้นในแง่ของคนไทยเราก็ดีนะคนในประเทศใกล้เคียงเรา อาจะเป็นประเทศลาวกัมพูชามามา่านะศรีลังกาพวกนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่นะเรียกว่านรกสวรรค์เนี่ยใ น, นในอนาคตในชีวิตหน้าก็ยังมีอยู่อนะันี้เป็นความเชื่อที่เรามีความเชื่อกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งนะถ้าคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้นะก็จะประกอบคุณงามความดี นะละเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วความไม่ดีนะเป็นบาปเป็นกรรมนะเรียกว่ามีการเกรงกลัวนะต่อบาปกรรมที่จะทาแม้ว่าจะเป็นบาปเพียงเล็กน้อยก็ตามนะซึ่งตรงนี้เนี่ยความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีํนะาให้ตัวเราเองนะก็ได้มีความหวังนะตายไปแล้วเรายังมีความหวังว่าจะได้ไปในทางที่ดีนะ ทีนี้ถ้าคนไม่มีชาติหน้าเลยไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าเลยนะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะความเชื่อเนี่ยนะมันก็มีข้อที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะบางคนเชื่อแล้วก็งมงายไปก็มีนะบางทีก็ไปทําบุญหมดเนื้อหมดตัวนะเพื่อที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานนะตามที่เขาเชื่อตามที่เขาพูดกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้อง อาศัยปัญญานะเพราะนั้นความเชื่อความศรัทธาเนี่ยนะก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันนะไม่ใช่อาศัยศรัทธาเชื่อไปตะพุตตะพื้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นทางไปนะที่เรียกว่าสวรรค์นรกนะในชาติหน้าในเบื้องหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเราเชื่อกันมานานนะและพวกเรากันเองในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อกันอยู่ ในส่วนตัวของธารมะเองอรรมะก็เชื่ออย่างนั้นนะแม้ว่าไม่ได้เห็นนะแต่ว่าก็มีความเชื่อาจากตำรับตําราบ้างจากคนที่ได้กล่าวไว้บ้างครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้เราเกิดความระมัดระวังนะในการที่จะทําทอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่งามนะหรือว่าพยายามสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมนะในการกระทําของเรา นะไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะก็กระทำไปด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นคุณงามความดีนะเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นนรกนะทีอ่อยู่ในชาติหน้าแต่นอีกด้านหนึ่งนั้นนะถ้าเราไปอ่านในคัมภีรก็ดีหรือฟังครูบาอาจารย์ก็ดีโดวยเพราะในยุคปัจจุบันนี้นะท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะเท่าที่อาตรมาได้ยินได้ฟังมน่ ท่านเป็นคนแรกนะในยุคนี้นะที่พูดถึงสวรรค์นรกในปัจจุบันซึ่งตรงนี้น่าสนใจท่านไม่ได้พูดโดยใช้ความคิดความจำหรือความเชื่อของท่านนะแต่ท่านไปนค้นจากพระบาลีพระไตรปิฎกนะฉบับบาลีนะก็ไปพบว่าพพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่ได้พูดเฉพาะเอ่อท่านพูดถึงเรื่องสวรรค์นรกนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เมื่อใดก็ตามาที่เราเห็นได้ได้ยิ น, นได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสหรือได้นึกคิดไปในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทําทให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความสบายใจท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์นในปัจจุบันนี้เป็นสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนในยุค ก, ก่อน นะไม่เคยได้พูดถึงกันหรืออาจจะมีการพูดถึงกันบ้างนะแต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้นำมาพูดนะหรือไม่ได้นำมาเผยแพร่ให้เราได้รู้นอกจากสวรรค์นะก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตานะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือนรกนะนรกนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะซึ่งอันนี้ทั้งกรพูดในลักษณะที่ว่า เมื่อตาเราเห็นรูปนะที่ไม่สวยไม่งามนะเป็นที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจนะหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานะหรือนึกคิดไปในเรื่องราวต่างๆนะที่เป็นความวิตกกลางบนนะเป็นความไม่ดีต่างๆนะที่เราเคยทำมานะอันนี้ก็เรียกว่าตกนรกแลนะ้เรียกว่านารกปัจจุบันนี้เล ไม่ต้องไปรอชาติหน้าไม่ต้องไปรอวัตายไปแล้วนะจึงจะได้สัมผัสได้พบมันนรกชนิดนี้สวรรค์นชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เราเห็นจริงนะแล้วก็เห็นได้ด้วยตัวเองด้วยนะไม่ต้องไปเชื่อหรือไปฟังใครนะในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราสังเกตนะวันหนึ่งนะเราขึ้นขึ้นสวรรค์นเนี่ยตกนรกไม่รู้กี่ครั้งเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูถ้าเอาตรงนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเราทำดีนะอย่างเช่นเราการที่เรามาไหว้พระสดมนการเราช่วยงานส่วนรวมการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเรารู้สึกมีความสุขนะมีความสบายใจมีความปลื้มปิตินะในสิ่งที่เราทำคุณงามความดีอันนี้ก็สวรรค์ปรากฏขึ้นมาละปรากฏขึ้นที่ใจของเราละเป็นสวรรค์ เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะที่คนโบราณเขาพูดถึงกันสวรรค์หรือนรกชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะประจักษ์แจ้งกับตัวเราเองได้นะซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปรอเวลานว่าเออตายไปแล้วเราจะได้ไปสัมผัสไหมท่านอาจารย์พุทธทาสก็พูดไว้ชัดนะว่าเมื่อเราได้สัมผัสกับ สวรรค์นรกในปัจจุบันอนาคตไม่ต้องพูดถึงมันก็ไปอย่างนั้นแน่นอนนะถ้าตาบได้ที่เรายังไม่ถึงที่สุดทุกนะคือไม่ไปเกิดนะมันเลยไม่มีคาอยู่สามคำที่น่าสนใจนะสวรรค์ น, นี่คือสุกตินระนะกเรียกว่าทุกขตินะมันมีอันที่ไม่ต้องไปสวรรค์เป็นนรกนะเาเรียกว่าสุขโตนะอย่างที่วัดป่าสุขโตนะสุกโตคือไปแล้วได้ดี เรนะเรียกว่าไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์นะไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วนะที่ภาษาก็เรียกว่าอะไรนิพพานใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเพราะนั้นถ้าเราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยนะคำว่านารกสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะประจักษ์แจ้งได้นะ ด้วยตัวของเราเองนะเรียกว่าถ้าใจสบายนะมีความปลื้มปิตนะิมีความสุขนะในการทำคุณงามความดีนะอันนี้ก็เป็นสวรรค์ละสวรรค์ชัดๆเลยสวรรค์เห็นเลยนะแต่ถ้าเราไปทำไม่ดีเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจวิตกกรงวนเป็นทุกข์เป็นร้อนนะเรียกว่ากระวนกระวายใจมีเรื่องหนักอกหนักใจ นะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ น, ะนี่เรียกว่าตกนรกแล้วนะเพราะนั้นสวรรค์นรกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ทีนี้ถ้าเรามา <c oughs> เรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเราเห็นว่ามันมีอีกสภาพหนึ่งนะก็คือสภาพที่มันไม่สุขไม่ทุกขนะ์มันเป็นปกติธรรมดาธรรมดานะเป็นจิตใจเฉยเฉยรู้อยูนะ่เป็นจิตที่ตื่นรู้ ไม่สุขไม่ทุกข์นะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะเรียกว่าไม่ติดในสุขและในทุกข์นะเรียกว่าไม่ติดสวรรค์นะไม่วิตกไปเรื่องกับนรกนะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะที่เรียกว่านิพพานนั่นเองบระษัทคนโบราณเนะี่ยจึงมีคำที่พูดกันนะสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลเมื่อใจมีสตินะอันนี้เป็นคาที่คนโบราณก็พูดแล้วก็ มีความหมายดนะีท่านอาจารย์พุทธทาสจะพูดเรื่องนี้มากนะหลวงพ่อเทียนเองท่านก็พูดเหมือนกันนะว่าการที่เราจเจริญสตนะิแล้วเนี่ยเราจะรูนะ้ว่าการกระทำนะด้วยกายนะทำดีด้วยกายเนี่ยนะจะได้ไปสวรรคนะ์อยู่นานกี่เดือนกี่ปีนะ ทำดีด้วยวาจานะจถ้าได้ไปสวรรค์เนี่ยจะอยู่นานกี่เดือนกี่ปนะีด้วยกายด้วยวาจานะด้วยใจนะทำดีด้วยใจนะก็จะได้ไปสวรรค์กี่เดือนกี่ปนะีกี่วันนะหรือถ้าทำไม่ดีนะด้วยกายนะจะตกนรกกี่เดือนกี่ปี น, ะนีเป็นสิ่งที่ท่านไ ด, ได้พูดเอาไว้ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันหมดเลยเนี่ยจะไปนรกกี่เดือนกี่ปีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดซึ่งตรงนี้เนี่ยคว่นนานรกสวรรค์ในความหมายที่หลวงพ่อเทียนพูดเนี่ยท่านก็คงไม่ได้หมายถึงว่าน่นละไปถึงต่อตายแล้วนะแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราทำความดีนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะเราก็มีความสุข กับสิ่งที่เราทำเป็นคุณงามความดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีนะเราก็มีเรื่องอยู่ในใจของเรานะมันมันไม่สบายใจมันหนักใจมันอึดอัดมันร้อนโดนกระวนกระวายอันนี้เป็นอารกนะทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดการปล่อยวางนะไม่ยึดไม่ติดนะในสิ่งต่างๆ นะว่าไม่ยึดไม่ติดนี่คือใจวางกลางๆนะไม่ได้ไปวิตกกังวลอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรนะการปล่อยวางนี้เรามีหน้าที่อะไรเราก็ยังทำตามปกติเพียงแต่ว่าในจิตในใจของเรานะไม่ได้ไปยึดติดว่าทำแล้วจะต้องให้คนมาชมนะทำแล้วนะจะได้รางวัลอะไรนะอันนั้นเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของคนอื่น แต่เราทำแล้วเรารู้นะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามีความปลื้มปิตินะเรียกว่าสวรรค์เห็นหิ น, หนนะสวรรค์อยู่ไม่ไกลเลยนะในเวลาเดียวกันนะถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวเราลืมตัวใครมาพูดไม่ดีนะใครมาทำอะไรไม่ดีเราก็นึกโกรธขึ้นมานะนี้ก็ตกนรกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สวรรค์นรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ ไม่ไกลตัวเลยนะการที่ไปคำนึงถึงนรกสวรรค์ในชาติหน้าก็เป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวไปนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะเพียงแต่ว่าสวรรค์นรกปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจคนที่จะเห็นสวรรค์นรกในปัจจุบันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยนะการฝึกปฏิบัตินี่แหละนะคือตาในเนี่ยมันเปิดขึ้นมา ก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะตัวนี้จะทำให้เราเห็นสวรรค์นรกได้เห็นนิพพานนะที่เป็นชั่วคราวนะที่เกิดขึ้นเป็นเป็นประจำนะในวันหนึ่งวันหนึ่งในแต่ละช่วงขณะจิตของเราเนี่ยเราจะได้สัมผัสต ร, ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาและตรงนี้มันก็จะทำให้เรานะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าสวรรค์นรกมันมีจริงไหม จริงนะถ้าใครถามบอกจริงจริงไหมจริงเนี่ยจริงเราไม่ได้อ้างอิงคำพูดของใครไม่ได้อ้างตำรับตำลาแต่มันเกิดจากการที่เราประพฤติปฏิบัติเล่เาเห็นจริงนะส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาต้องไปพิสูจน์เองนะเราไม่ได้พูดเพื่อให้เชื่อนะแต่เราพูดจากประสบะการณนะ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เพียงแต่ว่าปลูกศรัทธา ความเชื่อเท่านั้นเองการที่จะเห็นความจริงประจักษ์แจ้งแก่ใจไนดะ้จะต้องลงมือปฏิบัติจะต้องกระทำไม่ใช่ไปนึกไปคิดนะไปจดจำเอาเท่านั้นนะเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติจริงๆและต้องกระทำลงไปจริงๆถึงจะเกิดการประจักษ์แจ้งจริงๆนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้ เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองเพราะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายให้พิสูจนะ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้เราเชื่อให้เราศรัทธาอย่างเดียวนะแต่เราต้องพิสูจนะ์พิสูจน์จนเห็นผลขึ้นมานะว่าอ๋ออนี้มันมีจริงเนาะนะเราก็จะระมัดระวังในการที่จะ ก, กระทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะแล้วก็งดเว้นนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่จะทให้เกิด บาปกรรมขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็ทำให้มากยิ่งขึ้นไปแต่ก็ทำก็ไม่ได้ไปติดกับมันนะแม้แต่สวรรค์นะก็ไม่ติดนะพุทธองค์ก็ได้พูดไว้ว่าไ่าไปติดในสวรรค์นะต้องไปเลยจากนั้นอีกนะก็คือไปสู่นิพพานนั่นเองนะซึ่งตรงเนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธบริษัทแลนะลิชาพุทธเราชาพุทธเราไม่ได้ติดแค่สวรรค์ นะเราต้องเลยจากสวรรค์ไปเพราะสวรรค์มันก็ยังไม่เที่ยงใช่มมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนยังหลวงพ่อเทียนนั้นเคยเล่าให้ฟังนะไปทอดกะถินห้ากองนะทําบุญนะน่าจะได้สวรรค์ได้ความสุขนะแต่ว่าออมอบหมายให้ภรรยาให้เมียดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายหมอลำนะ ปรากฏว่าเมียก็ยังมาถามว่าจะจ่ายอย่างไรเท่าไหร่ท่านก็โกรธขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยทําบุญมันก็จะตกนรกเหมือนกันนะถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่ดูแลจิตใ จ, จของเรานะไม่มีเครื่องคุ้มครองจิตใจนะนรกกับสวรรค์นี่มันใกล้กันมากเลยนะถ้าเราไม่ไม่รู้เท่าตันเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวก็ตกนรกนะอันนี้เป็นสิ่งทีเ่เราสามารถที่จะเห็นได้ แม้แต่การทำบุญก็สามารถที่จะตกนรกได้นะถ้าเราทำบุญเพียงแต่ไปหวั ง, นะ ห, วงหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะทำบุญ10 บ, บาททำบุญร0อยบาทขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไปหวังนะมันไม่เป็นบุญแล้วนะเป็นก็เป็นน้อยมากนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหน้าที่จะได้พิจารณาใครกลวนนะในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมา หรืในสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงได้พูดเอาไว้นะว่าอย่าเชื่อนะเพราะว่าฟังตามตามกันมาอย่าเชื่อเพราะว่ามันมีในกัมพีนะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดน่าเชื่ออะไรเนี่ยที่เรียกว่าการละมัสูตรแต่เราจะเชื่อด้วยการพิสูจน์นะพิสูจน์ลงไปนะการพิสูจน์ก็คือการเอาตัวของเราเอากายเอาใจของเราเนี่ยพิสูจน์ลงไปนะด้วยการประพฤติธปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติก็ดีทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ดีนานี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็สรุปได้ด้วยตัวเราเองนานี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหน้าที่จะได้กระทาลงไปนในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดเยอะแยะธรรมะดีดีมากมายเลย เราได้ยินได้ฟังไปแต่เราไปทำหรือเปล่าเออไอเ น, นี้ยต้องหน้าหน้าพิจารณาเหมือนกันได้ยินได้ฟังไปแล้วชื่นอกชื่นใจนะได้ฟังโอ้ดีธรรมะนั้นดีธรรมะนี้ไม่ดีนะแต่เราไปทำหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปทำมันก็ดีแค่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองอ่ะนะก็เพียงแค่มีความเชื่อมีความศรัทธาแต่ปัญญายังไม่เกิดนะหรือว่าการที่เราจะพ้น นะไปจากความสุขความทุกข์มันก็ยังไม่เป็นไปนะก็ยังเหมือนเดิมนะยังคี้โกรธเหมือนเดิมนะยังคี้โลภเหมือนเดิมยังขี้หลงเหมือนเดิมนะได้ยินได้ฟังมาไม่รู้เท่าไหร่แต่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันนี้มันก็ต้องฉุกคิดห ล, ะละักนะเอเราได้ยินได้ฟังมานานประพฤติปฏิบัติมาก็นานแต่ทําไมมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะัมันยังเหมือนเดิมเลย อันนี้เพราะว่าเอาแต่ได้ยินได้ฟังเอาแต่อ่านเอาแต่เชื่อแต่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจึงบอกว่าทำใดๆนะก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องกระทำลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้นะก็คือต้องกระทำลงไปด้วยตัวของเราเองนะไม่ต้องให้ใครมาบอกนะไม่ต้องให้ใครมาจาจี้จาชัย เราสามารถทำดีถวงเราเองได้เขี่ยวเข็นตัวเราเองได้ไม่ต้องให้ใครมาเขี่ยวเข็นนะบรรยากาศของวัดป่าสุกโตเนี่ยเอื้อประโยชน์กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฉนะะนั้นสิ่งที่เป็นความเชื่อนะในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะโดยเฉพาะสวรรค์นรกในปัจจุบันถามว่ามีจริงไหมมีถ้าตรงเนี้ย สวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีจริงๆพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะเหมือนกับที่มีนิทานเซนนะ <c oughs> เขาเล่าเอาไว้นี่ก็เอามาเล่าต่อก็มีนักดาบซามูไรคนหนึ่งนะชื่อนบูชิตเกะนะเขาก็อยากรู้ว่านลกสวรรค์นี้มันมีจริงไหมเข้าไปหาอาจารย์ฮากุอินนะ เข้าไปกราบท่า น, นแล้วก็เข้าไปถามว่านารกสวรรค์มีจริงหรือนะเข้าไปถามอาจารย์ฮักุยินก็ถามว่าแกเป็นใครนะไม่ได้พูดดีๆแกเป็นใครนะไอ้นักดาบก็บอกอ้อกัผมก็เป็นนักดาบสามูไรนี่นอาจารย์ฮักกุยินก็บอกอ๋อหน้าอย่างเงี้ยเหรอเป็นนักดาบสามูไรหน้าอย่างก็ขอทาน ใครก็จะไปจ้างให้เป็นนักดาบนะเรียกว่าพูดกันแบบเจ็บๆไปเลยอ่ะนะนักดาบนี้ก็โกรธขึ้นมา ท, าทันทีเลยนะหยิบดาบขึ้นมาเลยนะอาจารย์นักวิ่งก็บอกอ๋อมีดาบด้วยอะ่ะไอ้ดาบอย่างเงี้ยหรอทื่อๆฟันคอข้าไม่ขาดแล้วออท้าทายนะไอ้นักดาบสามุไรก็โกรธจัดเลยนะทีนี้นะจับดาบขึ้นมาชัก ด, ดาบขึ้นมา นะเตรียมที่จะเล่นงานนะอาจารย์นาคุินอาจารย์นาคุินก็พูดเรียบๆนี่พูดเรียบๆแล้วนี่ไงล่ะโยมประตูนรนกมันเปิดแล้วนะประตูนรกมันเปิดแล้วโอซัมโไลายคนนี้ก็ได้ยินก็นโอเหล่านี้โกรธเแล้วเนาะนะก็สํานึกได้รู้สึกตัวนะเอาดาบเก็บเขาฝักแล้วก็ก้มลงกราบอาจารย์นาคุินใหม่ นะด้วยความคารุบนอบนอนะ้อมจันอาคูินก็เลยบอกว่านี่ไงประตูสวรรค์เปิดกันแล้วนะเนี่ยเป็นนิทานที่เขาพูดถึงนรกสวรรค์ในปัจจุบันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราสังเกตดูนะในชีวิตประจําวันของเราเราจะสัมผัสกับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยบ่อยเพราะนั้นสวรรค์ น, นรกเนี่ยนะเราไม่ต้องไปรอนะตายไปแล้วค่อยไปสัมผัสมีจริงหรือไม่ยังสงสัยอยู่อะไรเงี้ยนะ แต่อปัจจุบันนี้เลยนรกสวรรค์ที่นี่เดี๋ยวนี้นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้นะเป็นไปได้ถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการาทําให้ศรัทธาที่เราเคยมีเคยเชื่อเนี่ยมันเป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นเป็นปัสสัทธาที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยตัวเราเองงานะส้นการจะประจักษ์แจ้งเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ โนะดยเฉพาะการเจริญสตินะสติเน้นำพาไปสู่สิ่งที่เป็นภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรานะจะเป็นสวรรคกดีนรกกดีนิพพานกดนะีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งไดนะ้ถ้าเราสังเกตเราดนะูเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆคำว่าพิจารณาก็คือเห็นมันอยู่บ่อยๆนะตรงนี้ เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คําสอนนาลึกคำบอกคํากล่าวของครูบาอาจารย์ก็ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเป็นสิ่งที่ยังทันสมัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์มาอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมันผ่านการเวลาอย่างไรก็ตามมันก็ยังเรียกว่าท้าทายพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะพิสูจน์ได้ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะในเช้าวันนี้เพนะราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็สิสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะพระสงฆ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติ นะที่เราได้กระทํานะด้วยความเชื่อความศรัทธาความเพียรความพยายามนะด้วยสติสมาธิและปัญญาพร้อมกันไปนะก็ขอให้เป็นประวัติปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจนะทั้งที่เป็นสวรรค์นรกและนิพพานนะในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร